ต่อไปนี้ก็จะได้ปา ร, รบธรรมะพร้อมกับการนำปฏิบัติไปในตัวจากมีเวลาจำกัดประมาณสี่สิบห้านาทีจางนี้ไปให้ตั้งใจในการเจริญภาวนาพร้อมกับการฟังธรรมคือ ระหว่างที่ฟังนั้นต้องดูต้องรู้ในตนเองผู้แสดงเป็นเพียงผู้ชี้ทางบอกให้ดูนั่นเป็นไกด์นำทางพาชมสถานที่ผู้ฟังจะต้องดูสถานที่นั้นๆเนี่ยขณะนี้ <c oughs> สิ่งที่จะให้ ท้องไปดูไปนั้นอยู่ที่ตัวของท่านทั้งหลายเอง <c oughs> คือจะต้องเจริญสติสัมปชัญญะปรบความเพียนในการประคองตั้งจิตไว้ในการใส่ใจสังเกตที่ตัว ความรู้เห็นความแจ่มแจ้งอันเป็นปัญญาที่จะเป็นดวงตาเห็นธรรมนั้น <c oughs> จะต้องเห็นในตนเองสังขารร่างกายใจิตใจในตนเองตามความเป็นจริง <c oughs> เพราะฉะนั้นจะต้องกำหนดพิจารณาดู ในกายใจตนเองเสียงคำสอนนั้นก็จะเป็นตัวนำทางบอกท่านทั้งหลายฟังแล้วก็ดูในตัวเองไปด้วยจึงจะได้เกิดความรู้เห็นจริงขึ้นมานนคำสอนของพุทธเจ้าของพะพุทธองค์ก็จะ ชี้บอกให้ดูให้พิจารณาในกายใจพรูปฟังอันนี้จังพรูปไม่เที่ยงเนืพรูปสิ่งที่ประกอบเป็นสรีระร่ากายเนี่ยมันมีดินน้ำลมไฟตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของไม่เที่ยง ล้าใส่ใจมาที่กายเจะเจอรูปรูปดินจะมีลักษณะแข็งอ่อนนะไฟก็ร้อนเย็นลมก็ตึงหย่อนไหวน้ำก็อืบอับไหลและเกาะกลุ่มอันนี้เป็นรู ป, ปรธรรมส่วนนามธรรมก็คือจิตที่เข้าไปรู้จิตขณนะ น, นี้มีสติ มีสติมีสัมปชัญญะประกอบอยู่ทำหน้าที่เป็นผู้ไปรู้ไปดูกายอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีกายมีใจมีกายถูกรู้มีใจเป็นผู้รู้เนี่ยในขณะที่รู้กายก็หัดรู้ใจเนี่ยกาย <c oughs> เปรียบเสมือนเป็นบ้านเรือนหลังหนึ่งจิตใจนั่นเหมือนเจ้าของบ้านนั้นคนที่เป็นเจ้าของบ้านกับบ้านนั้นมันไม่ใช่อันเดียวกันเราจะต้องพิจารณาแยกให้เห็นระหว่างบ้านกับเจ้าของบ้านระหว่างกายกับใจให้เห็นมันเป็นคนละอันกันคนละอย่างกัน ในขณะเนี้ยร่างกายเป็นเหมือนเรือนหลังหนึ่งจิตใจเหมือนเจ้าของบ้านอาศัยอยู่ในกายนี้เรือนหลังนี้ก็จะมีประตูอยู่หกประตูอันเป็นที่ผ่านเข้าออกจิตจะอาศัยประตูนี้ออกไปรับอารมณ์อารมณ์ต่างๆเหมือนแขกที่มาเยือน แควนที่มาทางตาคือสีต่างๆแขวนที่มาทางหูคือเสียงต่างๆขนาดนี้มีอยู่แควที่มาทางจมูกก็คือกลิ่นต่างๆแคดที่มาทางลิ้นก็คือรสต่างๆแคดที่มาทางประตูกายก็มีผดสภพารณมมีเย็นร้อนอ่อนแข็งยนตึง แขกที่มาทางประตูใจก็คือเป็นธรรมารมดันเรื่องราวต่างๆสภาวะความรู้สึกอันนี้ <c oughs> จะต้องสังเกตรธรรมชาติเห น, นี้ซึ่งเปรียบเหมือนเจ้าของบ้านเปรียบเหมือนบ้านเปรียบเหมือนประตูบ้านเปรียบเหมือนแขกที่มาเยือนเ้าจะดูว่า ระหว่างนี้เจ้าของบ้านเป็นอย่างไรคือสภาพของจิตใจอยู่ในบ้านหรือออกนอกบ้านถ้าออกนอกบ้านก็หมายถึงคิดเลเื่อยเฉยไปไปเรื่องนั้นไปเรื่องนู้นต้องรู้สึกตัวขึ้นมาให้จิตหรือเจ้าของบ้านนั้นรู้สึกตัวเจ้าของมันก็จะกลับมาอยู่ในบ้านอีก ดูว่าเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านก็จริงแต่อยู่แล้วก็หลับไปหรือเปล่าต้องดูให้ออกเนี่ยอยู่ในบ้านจะต้องตื่นอยู่ต้องเป็นผู้ตื่นรู้อยู่ดูเจ้าของบ้านว่าอยู่ในบ้านนั้นอยู่แบบไหน อยู่แบบหลับหรืออยู่แบบตื่นหลับก็ต้องรู้ว่าอา้าวขณะนี้หลับไปเพเปื่อหลับเป็นช่วงๆตื่นเป็นช่วงๆหลับเป็นช่วงๆสภาพของเจ้าของบ้านคือจิตหลับเป็นยังไงดูให้ออกอจิตหลับมันก็จะไม่รับรู้อะไร พอจิตหลับกายก็จะสับประหกหัวก็จะตกน่ยดำลงตรงอยู่ไม่ได้เน่เพราะถูกโลกดึงดูดนี่น้ำหนักใจเผลอหลับกายจะสับประงกทันทีเนี่ยดูให้ออก จะต้องฝึกให้เจ้าของบ้านตื่นตื่นรู้อยู่พุทธะต้องตื่นรู้ต้องระวังระวังจิตที่จะเผลอหลับเนมื่อจิตตื่นอยู่ก็รู้ถึงความที่จิตตื่นอยู่ในขณะนี้มีแขกมาเยือน คือเสียงเสียงเป็นแขบอย่างหนึ่งที่ผ่านทางหูเข้ามากระทบเจ้าของบ้านก็รับแขกรับเสียงได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงแล้วรู้สึกอย่างไรพอใจหรือไม่พอใจฟังแล้วรู้สึกอย่างไร มีความเริ่มใสมีใจศรัทธามีสติปัญญาเกิดขึ้นหรือว่าฟังแล้วมันรู้สึกท้อใจใจมันท้อใจมันถอยใจมันจะถอยลงพวังถ้าลงพวังก็คือหลับต้องคอยดูไว้ให้ดี ถ้ารู้สึกว่ามันมีความง่วงเข้ามาครอบงำแล้วก็เพิ่มความรู้สึกตัวมากขึ้นเพิ่มความเพียรในการรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาน่รับรู้สังเกตดูทั่วร่างกายดูสิสมองเป็นยังไงสิษะเป็นยังไงสภาวะที่กายในส่วนต่างๆที่ตาเป็นยังไง มันมีอาการมึนตื้อตึงหรือไม่พยุงใจขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นนยถ้ารู้สึกว่ามันก็ยังเอาไม่อยู่มันยังจะหลับแล้วก็ลืมตาช่วยเนยลืมตาขึ้นมาแต่ว่าอย่าลืมตาแต่อย่าลืมตัว ลืมตาก็ยังต้องรู้สึกตัวการเจริญสตินั้นทำได้ในขณะลืมตาการภาวนาไม่ได้หมายถึงต้องหลับตาเสมอไปถ้ารู้สึกหลับตาแต่ไปหลับใจด้วย ห, หลับตาแล้วต้องตื่นใจใจต้องตื่นรู้ อยากให้หลับตาแล้วหลับใจใจต้องตื่นไว้ถ้าเอาไม่อยู่แล้วก็ลืมตารู้สึกตัวเจริญสติกับกันลืมตาเพ่งมองมองอย่างรู้สึกตัวฟังอย่างรู้สึกตัวไว้เนี่ยคือการปฏิบัติ <c oughs> ถ้าลืมตาแล้วยังจะหลับก็ขยับตัวช่วยขยับ มือขยับแขนขยับศีรษะอย่างมีสติเรียกว่าเจริญสัมปชัญญะข้อว่าสัมปชัญญปะประพึงทำควารมรู้สึกตัวในขณะคู่เหยียดเคลื่อนไหวได้นะในการปฏิบัตินั้นพุทธเจ้าตรัสอาโรกิเตวิโรกิเตสัมปชานการิหติ ถึงพึงทำความรู้สึกตัวในขณะแลในขณะเดียวขณะแลอยู่ก็รู้สึกตัวขณะเดียวซ้ายและกว่ารู้สึกตัวนะพิกกันเต ป, ปฏิกกันเตสัมปชานะารีโหติพึงทำความรู้สึกตัวในขณะก้าวไปข้างหน้าถอยกลับมาข้างหลังนะไม่ได้ไม่ได้อยู่นิ่งๆไม่ได้หลับตาอยู่ก็ตามกลาลัง เดินกำลังก้าวอยู่เคลื่อนไหวอยู่ก็เจริญสติได้นะสัมมิตจิเตเตประสาทิเตสัมปชานการิโหติพึงทาความรู้สึกตัวในขณะคูอวัยวะเข้าเหยียดอวัยวะออกเวลาที่มีการคูแขนเหยียดแนขนงอขาเหยียดขาเียกลมเงยเหลียวซ้ายแรงขวารู้สึกตัวทั่วพร้อม เนะ่ยไม่นั้นจเจริญสติได้ทั้งการเคลื่อนไหวอยู่รู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่รับรู้ถ้าอยู่นิ่งๆก็จเจริญสติอยู่กับความนิ่งๆนะคสเตติตเตนิสินเนสุเตชาคาริตเตตุนียตัมมชานการิโพติภาสิเตตุเนียตัมมชานการีโหติ พึงทำความรู้สึกตัวในขณะยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งถ้าอยู่นิ่งๆก็จเจริญสติถ้าไม่นิ่งเคลื่อนไหวอยู่ก็จเจริญสติยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งเวลาพูดปากเคลื่อนไหวใจรับรู้เวลาไม่ได้พูดแต่ใจข้างในมันพูดหรือไม่เนี่ยในใจมันภากอยู่เป็นภาษาอยู่คุยพูดอยู่ตลอดในใจ แม้จะไม่เปล่งออกมาเป็นวาจาแต่มันมีวจีสังขารปรุงแต่งในจิตเป็นภาษาอยู่ในใจอยู่ตลอดแล้วก็ดูลงไปที่ใจเป็นสังขารยาพระเจ้าได้ตรัสให้พิจารณาถึงความเป็นจริงของสังขารว่ารูปเนี้ยเป็นอนัตตา รูปังอนัตตารูปเป็นอนัตตาสังขารร่างกายทุกส่วนเป็นอนัตตาถ้ารูปเป็นอนตาแล้วใช้รูปนี้ก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธจะไม่เป็นไปเพื่อความลำบากบุคคลย่อมหวังในรูปนั้นได้ว่าขอรูปจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นหนึ่ง ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแต่เพราะรูปนี้เป็นอนัตตารูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธเป็นไปเพื่อความลำบากบุคคลจึงหวังในรูปนี้ไม่ได้ที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่าให้เป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็พิสูจน์ดูมเป็นจริงไหมร่างกายเนี่ยมันฟังไหมอย่าป่วยอย่าเจ็บมันฟังไหมอย่าแก่นะ อย่าเจ็บป่วยนะอย่าตายนะอย่าเปลี่ยนแปลงอย่าแตกนะ่มันไม่ฟังถ้ามันเป็นอัตตาเป็นตัวเราตัวตวนมันก็ต้องฟังต้องควบคุมได้ต้องบังคับนะแต่นี่พ่อรูปมันเป็นอนัตตามันจึงไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้พิสูจน์ทั้งหลายเวทนาอนัตตา เวทนาก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราสิ่งที่เสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างในพระเจ้าเราเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเวทนานี้เป็นอัตตาเป็นตัวตนแล้วไซเวทนานี้ก็จะไม่เป็นไปเพื่อความลําบากไม่เป็นไปเพื่ออาภาตแต่เพราะเวทนานี้เป็นอนัตตา เวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาภาบุคคลจึงหวังเวทนานั้นไม่ได้ว่าขอเวทนาจึงเป็นอย่างนี้เธออย่าเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยเราก็พิสูจน์ดูความเป็นจริงดูว่าเวทนาที่มันเกิดขึ้น <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาที่เกิดขึ้นที่กายทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นที่กาย <c oughs> หรือเวทนาที่เกิดขึ้นที่ใจ <c oughs> สุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างก็ตามทั้งหมดนี้ล้วนเป็นอนัตตา <c oughs> บังคับบัญชาก็ไม่ได้เนี่ยควรหรือจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา <c oughs> ลองจัดว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> สัญญาก็เป็นอนัตตา สัญญาคือความจำได้ไม่รู้เป็นอนัตตาถ้าสัญญาเป็นอนัตตาแล้วไซก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาภาตบุคคลย่อมหวังในสัญญานั้นได้ว่าขอสัญญาจงเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นแต่เพราะสัญญาเป็นอนัตตาสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออภาตบุคคลจึงหวังในสัญญาไม่ได้ ว่าขอว่าเป็นอย่างนี้เถิดจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็พิจารณาดู <c oughs> สัญญาความจําได้ไหมรู้บังคับมันได้ไหม <c oughs> จําได้จําไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเที่ยงแท้ฐามลไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสังขารานตตะสังขารก็เป็นอนัตตา <c oughs> สิ่งที่ปรุงแต่งใน จ, ใจิตใจ จะเป็นตัววิตตกวิจารวิจัยสงสัยพอใจไม่พอใจเนี่ยมันเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าสังขารเป็นอัตาตัวตนเป็นตัวเราจริง <c oughs> ก็ต้องบังคับได้ราจงเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นต้องบังคับแต่นี่มันไม่ไม่เป็นไปตามความต้องการ ที่สูตทั้งหลายวิญญาณนัอนัตตา <c oughs> วิญญาณก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราสิ่งที่เป็นธาตุรู้เรียกว่าวิญญาณแวบบไปแวบบมาบังคับมันได้ไหมอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นนี้ถ้ามันเป็นตัวตนแล้วต้องบังคับได้ <c oughs> นั่นอุปมามรูปเหมือนฟองน้ำรูปประคันเนี่ยฟองน้ำที่มีมากมายเวลามันเป็นฟองๆมันจะแตกตั้งคนต่างแตกถ้าเจริญสติอย่างรู้ลงไปในกายบ่อยๆหนึ่งๆยานปัญญาเกิดขึ้นมันจะไปสัมผัสที่กายได้ว่ามันมีการแตกสลายเสื่อมสลาย บางคนเห็นยิบยับไปทั่วตัวหมดแกตกครับบางคนก็อาจจะเห็นเหมือนคลื่นกระทบฟังแล้วก็แตกสลายกระทบแล้วก็แตกสลายเสื่อมสลายบางคนก็เห็นเป็นบางขณะแล้วแต่ญาณปัญญาที่เกิดมันยังไม่เกิดมันก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเด็กแต่เราก็ต้องเจริญไปบ่อยๆระลึกไปให้มันตรงให้มันตรงต่อรูปต่อลักษณะของรูป เนี่ยที่มันปรากฏอยู่น่ยปรากฏที่กายปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นสีเสียงกลิ่นรสแตกดับหมด <c oughs> เวทนาพระองค์เปรียบเหมือนกับต่อมน้ำพุดแล้วก็แตกดับพูดแล้วก็ทับสลายไปสัญญาเหมือนพยับแดดมองไกลๆเห็นเป็นตัวตนเข้าไปใกล้ๆก็าหายไป สังขารเปรียบเหมือนต้นกล้วยอปอกไปแล้วก็หาเก่นสาระอะไรไม่ได้วิญญาณเปรียบเหมือนนักมารยากลนมืออาชีพหลอกตาคนดูจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เห็นเป็นจริงเป็นจังไปหมดแต่จริงมันหลอกวิญญาณเนี่ยดูลงไปในกายเนี่ยมันมีวิญญาณอยู่หรือจิต อารมณ์ต่างๆเหมือนแขกบางทีเจ้าของบ้านออกไปรับแขกก็ไปทะเลาะกับแขกหรือไปรักแขกหลงแขกหรือก็ตามแขกไปก็เป็นทุกข์เวลาไปทะเลาะกับแขกเจ้าของบ้านก็เป็นทุกข์เองไปรักแขกหลงแขกก็เป็นทุกข์อีกและจะดูรักษาใจเจ้าของไว้ หนึ่งกำหนดผินอารมณ์ตึงเปรียบเหมือนแขกสองกำหนดเจ้าของบ้านคือจิตที่รับรู้อารมณ์เน่าดูอยู่อย่างเนี้ยขาะใดที่มอีอาการรู้อารมณ์ขณะนั้นมันก็จะมีอารมณ์ปรากฏให้รู้สิ่งหนึ่งปรากฏในลักษณะให้รู้สิ่งหนึ่งเป็นธาตุรู้ มันไม่จะมีอยู่แค่นี้มันมีอยู่คู่ๆกันสองอยา่างนั่นมีอารมณ์กับผู้รู้อารมณ์อาจะดูทั้งสองด้านกำหนดดูอารมณ์กำหนดดูผู้รู้อารมณ์เห็นความหมดไปสิ้นไปไหมตั้งอยู่ได้ไหมบังคับมันได้ไหมถ้าจะพบถึงความเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวข้องกัน ว่าเพราะสิ่งนี้เกิดเป็นปัจจัยต่ออีกสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้มีจึงเป็นปัจจัยต่ออีกสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ดับไปอีกสิ่งนี้ก็ดับไปเหตุปัจจัยเกิดผลมันก็เกิดเหตุปัจจัยดับไปผลก็ดับไปเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงก็จะเห็นอย่าง นั่นค้อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็มีความดับไปโดยธรรมดาดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นที่ัญญากลทัญญะฟังธรรมที่พระเจ้าแสดงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมก็คือเท่ากับเห็นอริยสัจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็คือทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือรูปนามขันธ์ห้า มันเกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุจึงไดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปน็นธรรมดามันมีเหตุทำให้เกิดมันก็เกิดอะไรเป็นเหตุตัญหาเป็นเหตุให้เกิ ด, กดทุกข์สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะมันเกิดจากเหตุเมื่อเหตุเกิดผลก็นี่มันก็ดับไปโดยธรรมดาเมื่อเหตุดับผลก็ดับ หรือธรรมชาติทั้งหมดที่ประกอบอยู่เป็นชีวิตมันอิงอาศัยกันหมดเนยอิงอาศัยกันเน่ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยลอยๆตามลำพังถ้าเราเข้าไปเห็นสัจะจะทมตรงเนี้ยจิตมันก็จะยอมรับยอมลงปรงได้ปลดปลงลงวางว่างสบาย ยอมเป็นก็เย็นได้ยอมสนิทก็พิชิตชัยชนะจิตเข้าถึงความเป็นสละหลุดพ้นะทุกวันที่สัตว์โลกทั้งหลายเป็นทุกข์กับความไม่เที่ยงกับความสูญเสียกับความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์เพราะเรายอมรับไม่ได้ยอมไม่ลงปรงไม่ได้ไม่น่าเป็นอย่างนั้นไม่น่าเป็นอย่างยอมรับไม่ได้ เพราะเราไม่เห็นแจ้งกับความเป็นจริงเราจึงว่ามันไม่ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมไม่น่าเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเข้าไปรู้เห็นในตัวเองตามความเป็นจริงนะมันไม่สามารถที่จะไปเป็นอย่างอื่นได้มันต้องเป็นท่งมันอย่างนี้เรียกว่าเป็นเช่นนั้นเองถัตาตาเป็นเช่นนั้นเองเป็นอิทธปพญญาตา เป็นไปตามกฎของมันอย่างนีน้เพราะสิ่งนี้เกิดก็เป็นปัจจัยต่ออีกสิ่งนี้เกิดเมื่อสิ่งนี้ดับก็เป็นปัจจัยต่อสิ่งนี้ดับเราดูตรงที่เกิดการผัสะขึ้นกระทบสัมผัสอารมณ์ทางตาท้งหูท้งจมูกท้งลิ้นทางกายทางใจพอมีผัสสะมันก็เกิดเวทนาผัสสะปัจจยาเวทนา นะสวรอารมณ์สุขบ้างทุกข์บ้างเวทนาปัจยาตัณหาถ้าขาดสติมันก็จะต่อไปสู่ตัณหาเราต้องการติดใจในอารมณ์อยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีถ้าเวทนาที่มันเป็นสุขมันก็อยากมีอยากได้อยากเป็นถ้ามันเป็นทุกข์มันก็อยากไม่มีไม่เป็นเป็นวิภวัตัณหาถ้าไม่กำหนดรู้ ปัญหาแก่กล้าขึ้นมันก็จะเป็นอุปาทานอยากมากก็ยึดมั่นต้องกระสันกระเสือกกระสนถ้าปล่อยวางว่างตัวตนจึงหลดุดจึงพ้นจึงถึงยิ่พันต้องคอยดูแลรักษาใจให้ปล่อยให้วางไว้เสมอไม่เพ่งแต่ก็ไม่เผลอถ้าเราไปเพ่งมันก็เบ่งเบ่งก็เคร่งตึง รู้สึกตัวต้องผ่อนตาต้องคลี่คลายนะถ้าปล่อยเกินไปปล่อยปะ ล, ละเลยหลุดลอยเพลอเลยหลับไหลก็ไม่ใช่ต้องพอดีพอดีไม่เพ่งแต่ก็ไม่เผลอเหมือนกํานกไว้ในมือเนี่ยทำอย่างไรที่นกไม่หนีนกไม่ตายถ้าบีบเกินไปนกตายคลายมากนกบินหนี ต้องพอดีพอดีอะไรทุกอย่างมันสู้ความพอดีไม่ได้เนี่ยความพอดีจึงดีพอเพียงเพียงแค่พอก็พอเพียงพอเพียงก็ต้องพอดีพอดีนั่นแ่ะจึงดีพอทุกเรื่องทุกอย่างต้องมาสู่ความพอดีได้ส่วนได้พอเหมาะ การเจริญสติก็เหมือนกันถ้าเราเพ่งเกินไปพิจารณาเกินไปเพียรมากไปสมาธิตามไม่ทันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าสมาธินำเพียรอ่อนก็ไปหลับหรือไม่ก็นิ่งเฉยเฉยไม่เห็นสภาวะความเพียรกับสมาธิท่านจึงว่าให้เสมอกัน บางทีที่เราจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะสมาธิมันตามไม่ไหวมันเพียรเกินไปเราพยายามมากเกินไปปักไฟเกินไปมันก็ฟุ้งเรารู้อย่างนี้เราก็ชะลอลงมาคืออย่าขนขวายเกินไปดูนิ่งๆดูนิ่งๆดูแบบปล่อยวางดูแบบว่ามันก็จะดึงสมาธิบวกขึ้นมาได้แต่ถ้าบางคนมันนิ่งแล้วมันไม่ พิจารณาอะไรไปเฉย ๆ, ๆ, ๆอยู่เรื่องมันทีก็หลับเราก็ต้องเพิ่มความเพียรใส่ใจพิจารณามากขึ้นเนี่ยศรัทธากับปัญญาต้องเสมอกันความเชื่อถ้าเชื่อโดยไม่มีปัญญาพิจารณามันก็จะงมงายมันจะหลงอารมณ์ได้ถ้าใช้ปัญญามากความเชื่ออ่อน มันก็จับจดอย่างอะไรก็ไม่น่ากลัวไม่ใช่อันนี่ก็ไม่ใช่เรื่องไป ไ, ไม่ได้แล้วต้องประกอบกันการได้ยินได้ฟังการพิจารณาให้ถูกต้องปัญญาเกิดความเข้าใจศรัทธาเพิ่มพูนขึ้นเรามีศรัทธามีกําลังนะพิจารณาประกอบศรัทธาปัญญาสม่ําเสมอกัน ความเพียรสมาธิเสมอกันสตินั้นมีไว้มากไม่เป็นไรแต่ก็อย่าไปหลงในในวิปัสสนากิเลสมันจึงมีสติสติที่ว่องไวเท่าทันมันก็ไปหลงได้ไปหลงว่าเออเรานี้มีสติดีบ้างไหมความพอใจติดใจมันเป็นนิกนติเป็นธรรมะ ต, ตันหา ความสงบเป็นสิ่งที่ดีปิติเป็นสิ่งที่ดีนะความเพียรปนะัญญารู้เห็นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดความพอใจเพลิดเพลินหลงไหลติดใจมันเป็นนิกรติเป็นตัณหาเป็นธมะตันหานี่เป็นกิเลสความสุขมีได้ความสงบมีได้ปิติมีได้ความสุขมีได้แต่ไม่ต้องไปติดใจ รักษาใจรู้เท่าทันใจอย่าให้มันเพลินเพลินติดอยู่ไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีความสุขนะปฏิบัติทํามันมีความสุขมีความสุขมันมีความสงบแต่ให้รู้รู้เท่ารู้ทันไม่หลงไหลไม่ติดใจ mm. นฝึกไปภาวนาไปสติก็จะตั้งมั่น mm. <c oughs> ที่พระองค์ได้ตรัสว่า เนี่ยเมื่อจเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่เนี่ยจเจริญแล้วทำให้มากแล้วเนี่ยพิจนากายเวทนาจิตทำอยู่หนึ่งเดืองทำแล้วทำให้มากแล้วจะยังพดชงเจตให้บริบูรณ์ได้คือสติมันจะถึงความตั้งมั่นสติที่ตั้งมั่นนั้นมันจะไม่หลงไม่เผลอมันจะรู้ในตัวเองตลอด ก็เป็นอันว่า <c oughs> สติสัมโพชฌงค์องค์แห่งความตัดสรู้คือสติที่ตั้งมั่นเป็นอันว่าได้ปารกแล้วได้ชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์ <c oughs> สติสัมโพชฌงค์ได้ถึงความเจริญเต็มที่พอสติตั้งมัน่นปัญญามันก็จะทํางานประกอบร่วมพิจารณาสอดส่องพิจารณาในธรรม จะดูสภาวะเห็นความเป็นจริงเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความหมดไปดับไปเห็นความเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นความบังคับไม่ได้ก็เป็นอันว่าธรรมวิจยสัมโพชฌงค์องเงงความตัดรู้คือความสอดส่องพิจารณาในทางเป็นอันว่าได้ป่ารกแล้วในเชื่อว่าเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ได้ถึงความเจริญเต็มที่ ความเพียรก็จะแก๋กล้าขึ้น um. <c oughs> ความเพียรลิเริ่มจนเป็นความเพียรบัก <c oughs> บันมันไม่ย่นย่อท้อถอยเกิด <c oughs> <c oughs> ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในจิตใจก็เป็นนั้นว่าวิริยะสมพดชงองเองความตัดสรุ้คือความภาคเพียร <c oughs> <c oughs> ความบาปบันไม่ย่นย่อทอดถอยไปนานว่าได้ป่ารบแล้วได้ชื่อว่าเจริญวิรทยะสัมพุทธชงวิทยะสัมพุทธชงได้ถึงความเจริญเต็มที่ <c oughs> เมื่อมีความภาคเพียรมีสติมีปัญญาอยู่นี้ปิติอันปราศจากอามิตจะเกิดขึ้นเนี่ยความอิ่มเ อ, อิบใจจะเอิบอาบ ทราบซาดไปทั่วสตีและรังกายทุ่มฉ่ำทั่วกายไปหมดไป <c oughs> นั้นว่าปิติสัมพุชงองค์แห่งความตัศนุคือความอิ่มเอิบใจไปนันว่าได้ปรัแล้วได้ชื่อว่าเจริญปิติสามพุชงปิติสัมพทชงถึงความเจริญเต็มที่เมื่อมีปิติเกิดขึ้นกายย่อมสงบใจย่อมสงบ เมื่อกายสงบใจสงบก็เป็นอันว่า <c oughs> ปัตธิสัมโพชงองเองความตัดสู้คือความสงบกายสงบใจเป็นอันว่าได้ปารลแล้วได้ชื่อว่าเจริญปัตธิสัมโพชงปัตติสัมโพชงได้ถึงความเจริญเต็มที่เมื่อสงบกายใจมันจะมีความสุขเกิดขึ้นมีความสุขใจมีความสุข ใจมีความเย็นใจมีความเย็นจะกายเย็นทั่วกายเ <c oughs> มื่อความสุขเกิดขึ้นจิตย่อมเข้าถึงความตั้งมั่นเป็นสมาธิ <c oughs> จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเรียกว่าสมาธิสำโพธชงองเอียงความตั้รู้คือจิตที่ตั้งมั่นเป็นนั่นบ้านได้ปารบแล้วได้ชื่อว่าเจริญสมาธิสำโพธชง สมาธิสัมโพชงได้ถึงความเจริญเต็มที่เมื่อจิตเขาถึงสมาธิตั้งมั่นอยู่อย่างนี้ก็เป็นผู้วางเฉยเป็นอย่างดีวางเฉยเป็นอย่างดีก็เป็นอันว่าอุเบกขาสัมพพชงองค์แห่งความตัดรู้คือความที่ใจเป็นกลางได้ถึงความเจริญเต็มที่ ได้ชื่อว่าเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชงถึงความเจริญเต็มที่ดูก่อนพิสษุน์ทั้งหลายพิสูจเจริญสติปัฏฐานสี่ทำแล้วทําให้มากแล้วอย่างนี้จึงยังโพชฌงค์เจ็ดให้บริบูรณ์ได้อย่างนี้ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายโพชฌงค์เจ็ดพิสูจนเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงยังวิชาและ วิมุตตให้บริบูรณ์ได้พระองค์ก็ได้ตรัสว่าพิสูจน์เจริญสติสัมพุทชง่ันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อการปล่อยวางที่สุดต้องน้อมไปสู่การปล่อยวางพิสูจน์เจริญธรรมวิจยะสัมพุทชงก็ดีปิด วิิยาสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสติสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงอุเบกขาสัมโพชฌงคอาณาสายวิเวกคือความสงัดกายสงัดกายวิเวกความสงบสงัดทางกายจิตวิเวกความสงบสงัดทางจิตอุปัติวิเวกความสงบสงัดจากกิเลสอาศัยวิราคะความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธะเน้อความดับไปแห่งกิเลส น้อมไปเพื่อการปล่อยวางคือแต่ละข้อละข้อนั้นจะต้องน้อมไปสู่การปล่อยวางทั้งหมตรงตัดว่าพ่อชงที่พิสุจิเริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้ก็จะยังวิชาและวีมุตให้บริบูรณ์ได้วิชาคือความรู้แจ้งทางตลอดในสัจจะธรรมวีมุตคือความหลุดพ้นจากอสวกิเลสนย่ดันั้นความ รู้แจ้งเห็นจริงความหลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นก็ต้องอาศัยโพชฌงค์ที่บริบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดองค์แห่งความตัสรู้ก็ต้องอาศั ย, า ก, ก, ออาศยการเจริญสติปัฏฐานสี่เจริญแล้วทําให้มากแล้วสติปัฏฐานสี่ก็ต้องอาศัยอาหารคือความสุจริตต้องมีกายสุจริตต้องวาจาต้องสุจริตมโนต้องสุจริตเรือมีศีล สุจริตสามนี้ก็ต้องอาศัยการสํารวมอินทรีย์การสํารวมตาหัวจมงงงงูกปิ้งกายใจดีการสํารวมอินทรีย์ก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะเป็นอาหารการจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก็ต้องอาศัยโยนิยโสมนสิกการเป็นอาหารการทําไว้ในใจโดยแยกขายการทําไว้ในใจโดยแยกคายก็ต้องอาศัย การมีศรัทธาเป็นอาหารศรัทธาความเชื่อความรื่นใสศรัทธาก็ต้องอาศัยการได้ฟังพระสธรรมเป็นอาหารการได้ยินได้ฟังพระสัธรรมพระธรรมคำสอนที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วจะเป็นอาหารของศรัทธาการได้ยินได้ฟังพระสัธรรมก็ต้องอาศัยการได้การยานามิตร การได้สัตบุรุษการได้คบสัตวบุรุษเป็นอาหารอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มิตรที่ดีได้เพื่อนที่ดีได้สัตวบุรุษก็ได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเมื่อได้ฟังพระธรรมก็ยังศรัทธาให้เกิดมีความรู้ความเข้าใจศรัทธาเกิดแล้ว ม, มีศรัทธาก็จะยังการทําว้ในใจโดยแยกขายเมื่อมีการทําว้ในใจโดยแยกขายสติสมัญญะก็จะดี เมื่อมีสติสมัชย์ญะดีก็มีการสัมโรมอินทรีย์ที่ดีเมื่อมีการสัมโรมอินทรีย์ที่ดีกายก็สุดจริตวาจาก็สุดจริตมโนก็สุจริตเมื่อมีความสุดจริตที่ดีการเจริญสติปัฏฐานสีก็จะก้าวหน้าสมบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานเจริญแล้วทําให้มากแล้วก็ยังโพชฌงเจตให้บริบูรณ์โพชฌงเจตที่เจริญแล้วทําให้มากแล้ว ก็ยังวิชาระวิมุตต์ให้บริบูรณ์ได้อย่างนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการที่ท่านทั้งหลายได้พยายามภาคเพียพรภาวนาขอความเข้าใจความจมแจ้งในธรรมดวงตายนธรรมได้บังเกิดขึ้นโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเธอ